ธมมะอริยวาสสูตรว่าด้วยทำเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยะสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายทำเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยสิบประการนี้ที่พระอริยะอยู่แล้วกําลังอยู่หรือจากอยู่ทำเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่งเป็นผู้ละองห้าได้ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห 3. เป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอก 4. เป็นผู้มีอปเสนธรรมธรรมเป็นดุดพนักพิงสี่ประการ 5. เป็นผู้มีปัจเจกสัจจะบรรเทาได้ 6. เป็นผู้มีการสแสวงหาอันสละได้ดี 7. เ, เป็นผู้มีความดำริอันมีขุณมัว 8. เป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้ เเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดี 10. เป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีภิกษุทั้งหลายทำเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยะิบประการนี้แลที่พระอริยะอยู่แล้วกำลังอยู่หรือจักอยู่ปฐมมอริยะวาสสูที่9จบ ทุติยอริยวาสสูตรว่าด้วยทมเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของชาวกุรุชื่อครมมาสะธรรมะแคว้นกุรุณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว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 4. เป็นผู้มีอภปเษตธรรมสีประการ 5. เป็นผู้มีปัจเจกสัจจะบรรเทาได้ 6. เป็นผู้มีการสแสวงหาอันสละได้ดี 7. เป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุนมัว 8. เป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้9้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดี 10. เป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดี ภิกษุเป็นผู้ละองห้าได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละกามฉันทะได้ identity, uh. เป็นผู้ละพยาบาทได้เป็นผู้ละถีนมิทะได้เป็นผู้ละอุทจักุกุจัได้เป็นผู้ละวิจิกิจฉาได้ภิกษุเป็นผู้ละองห้าได้เป็นอย่างนี้แหลภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยองหกเป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกายรู้ธรรมมรมณ์ทางใจแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วย อ, องค์หกเป็นอย่างนี้แล ภิกษุเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยใจที่รักษาด้วยสติภิกษุเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีอปปเสนธรรมสี่ประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเสพอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นอย่างหนึ่ง พิจารณาแล้วเว้นอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีอภิเสนธรรมสี่ประการเป็นอย่างนี้แหลภิกษุเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะบรรเทาได้เป็นอย่างไรคือปัจเจกสัจจะเป็นอันมากคือเห็นว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้าง ชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันบ้างชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันบ้างหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกบ้างหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกบ้างหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีบ้างหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่บ้างเหล่านั้นทั้งหมดของสมณะพราหมณ์จํานวนมาก ันภิสุในธรรมวิในนี้บรรเทาได้กำจัดได้สละได้คลายได้ปล่อยวางได้ละได้สละคืนได้ภิกสุเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะบรรเทาได้เป็นอย่างนี้แลภิกสุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างไรคือพิกสุในธรรมวิในนี้เป็นผู้ละการแสวงหากรามได้และการแสวงหาพบได้ ระงับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้ภิกษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างนี้แหลภิกษุเป็นผู้มีความดําริอันมิขุนมัวเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิไนนี้เป็นผู้ละความดําริในกลามได้เป็นผู้ละความดําริในพยาบาทได้เป็นผู้ละความดําริในวิหิงสาได้ภิกษุเป็นผู้มีความดําริอันมิขุนมัวเป็นอย่างนี้แล ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันระ ง, งับได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุธชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอเบคาอยู่ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันระ ง, งับได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นจากราคะหลุดพ้นจากโทสะและหลุดพ้นจากโมหะภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดว่าราคะเราละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว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 พระอริยะเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้อาศัยธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยสิบประการนี้อยู่เหมือนกันพระอริยะเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจากอาศั네ยธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยสิบประการนี้อยู่เหมือนกันพระอริยะเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการนี้ก็อาศัยธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยสิบประการนี้อยู่เหมือนกันภิกษุทั้งหลาย ทำเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยะิบประการนี้แหลที่พระอริยะอยู่แล้วกำลังอยู่หรือจกอยู่ทุติยอริยวาสสูตรที่10จบนาถกรณวัคที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เซนาสนาสูตร 2. ปัญจคสูตร 3. สังโยชนะสูตร 4. เจโตขีลสูตร 5. อัอปมาทะสูตร 6. อาหุเนยสูตร 7. จ็มปฐมนาทสูตร 8. ทุติยนาทสูตร 9. ปฐมอริยวาสสูตร 10. ทุติยอาริยวาสสูตร มหาวัคหมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่หนึ่งสีหนาทสูตรว่าด้วยการบันลือสีหนาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิสษุทั้งหลายในเวลาเย็นพญาราชสีออกจากที่อาศัยแล้วบิด ก, กายชำรลืองดูรอบๆทั้งสี่ทิศบันลือสีหนาสามครั้งแล้วก็หลีกออกไปหากินข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมันคิดว่าเราอย่าทำให้สัตว์เล็กๆที่หากินอยู่ในที่ไม่สม่ำเสมอต้องถูกฆ่าเลยคําว่าสีหานี้เป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอาการที่ตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นสีหนาคของตถาคตแท้กำลังของตถาคตสิบประการนี้ที่ตถาคตประกอบแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องอาจบรรลือสีหนาค ประกาศพรมจักในบริษัทกำลังของตถาคตสิบประการอะไรบ้างคือ1ตถาคตรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะและอาฐานะโดยเป็นอาฐานะในโลกนี้ตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะและอาฐานะโดยเป็นอาฐานะตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิ ญ, ญาฐานะที่องอาจ บันลอสีหนาฏประกาศโภมาจากในบริษัท 2. ตถาคตรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงนี้เป็นกําลังของตาถาคตที่ตาถาคตอาศัยแล้ว ปติญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสียานาประกาศพรหมจักในบริษัท 3. าตถาคตรู้ชัปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัปฏิปทาที่ถึงภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงนี้เป็นกําลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปติญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือศีนานาประกาศพรหมจักในบริษัท 4. ตถาคตรู้ชัดโลกที่มีธาตุหลายชนิดมีธาตุที่แตกต่างกันตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดโลกที่มีธาตุหลายชนิดมีธาตุที่แตกต่างกันตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะที่องอาจบรรเลือีหนาตประกาศพรหมจักในบริษัทห ตถาคตรู้ชัดว่าหมู่สัตว์เป็นผู้มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดว่าหมูสัตว์เป็นผู้มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริงนี้เป็นกําลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐาน ะ, ะที่องค์อาจบรรเลยศีหนาฏประกาศพรหมจักในบริษัท 6. กตถาคตรู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอื่นและบุคคลเหล่าอื่น มีอินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอื่นและบุคคลเหล่าอื่นมีอินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนตามความเป็นจริงนี้เป็นกําลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือศีหนาฏประกาศพรหมจักในบริษัท 7. จ็ตถาคตรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแพ้วแห่งฌานวิโมก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 จุติจากภพนั้นแล้วจึงมาเกิดในภพนี้ตถาคตระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้การที่ตถาคตระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างละถึงพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้นี้เป็นกําลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะที่องอาจบรรลือศีหนาต ประกาศพรมาจากในบริษัท9ต ถ, า, ถาคตเห็นหมู่สัตว์ผู้กําลังจุติเคลื่อนกําลังเกิดทั้งชั้นต่ําและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อนบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมูสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้พระอริยะมีความเห็นผิด และชักชวนผู้อื่นให้ทําตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจี OG สุจริตและมนุสสุจริตเมื่อกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทําตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์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 ที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหานาฏประกาศพรหมจักในบริษัท 10. ตถาคตทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันการที่ตถาคตทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน นี้เป็นกําลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือศีหนาฏประกาศพรหมจักในบริษัทภิกษุทั้งหลายกําลังของตถาคตสิประการ น, นี้แลที่ตถาคตประกอบแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือศีหนาฏประกาศพรหมจักในบริษัทศีหนาทสูตรที่หนึ่งจบ อาิมุติปะทะสูตรว่าด้วยอธิมุติบทครั้งนั้นแหลท่านพระอาณ น, น์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระอาณ น, น์ดังนี้ว่าอานน์เรากล้าปฏิญญาในธรรมทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อทําให้แจ้งอธิมุติบทนั้นๆด้วยปัญญาอันยิ่ง เพื่อแสดงธรรมโดยวิธีที่บุคคลผู้ปฏิบัติตามแล้วจักรู้ธรรมที่มีอยู่ว่ามีอยู่บ้างที่ไม่มีอยู่ว่าไม่มีอยู่บ้างที่หยาบว่าหยาบบ้างที่ปราณีตว่าปราณีตบ้างที่ไม่ยอดเยี่ยมว่าไม่ยอดเยี่ยมบ้างที่ยอดเยี่ยมว่ายอดเยี่ยมบ้างหรือเป็นไปได้ที่ผู้ปฏิบัติตามจักรู้สิ่งที่พึงรู้จักเห็นสิ่งที่พึงเห็น หรือจากทำให้แจ้งสิ่งที่พึงทำให้แจ้งอานนท์ยานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายคือยะถาภูตยานในธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นกำลังของตถาคตสิประการนี้ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องอาจบันลยสีหนาฏประกาศพรมาจักในบริษัทกำลังของตถาคต10ิประการอะไรบ้างคือหนึ่ง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 ตถาคตรู้ชัดว่าหมู่สัตว์เป็นผู้มีอัติยสัยต่างกันตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดว่าหมู่สัตว์เป็นผู้มีอัติยสัยต่างกันตามความเป็นจริงนี้เป right ็นกําลังของตถาคต 6. ตถาคตรู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอื่นและบุคคลเหล่าอื่นมีอินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอื่นและบุคคลเหล่าอื่น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 ตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคต 8. ตถาคตระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้นี้เป็นกำลังของตถาคต 9. ตถาคตเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดและถึงด้วยตาทิพย์อนบริสุทธ์เหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลการที่ตาาคตเห็นหมูสัตว์ละถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์นี้เป็นกำลังของตถาคตสิบตาาคตทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันการที่ตถาคตทาให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นกําลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรเลือศีหนาฏประกาศพรมาจากในบริษัทภิกษุทั้งหลายกําลังของตถาคตสิบประการ น, นี้แลที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรเลืศีหนาฏประกาศพรมาจากในบริษัท อธิมุติปะทะสูตที่สองจบ 3. กายสูตรว่าด้วยธรรมที่พึงละทางกายภิกษุทั้งหลายธรรมที่บุคคลพึงละทางกายแต่ไม่ใช่ทางวาจาก็มี ทำที่บุคคลพึงละทางวาจาแต่ไม่ใช่ทางกายก็มีทำที่บุคคลพึงละทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ก็มีทำที่บุคคลพึงละทางกายแต่ไม่ใช่ทางวาจาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัตบางส่วนที่เป็นอกุศลทางกายเพื่อนโพรมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้ว ว่ากล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านนั้นแหละเป็นผู้ต้องอาบัตบางส่วนที่เป็นอกุศลทางกายจะเป็นการดีหนอที่ท่านจะละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตภิกษุนั้นถูกเพื่อนพรหมจรีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วว่ากล่าวอยู่จึงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตนี้เรียกว่าทำที่บุคคลพึงละทางกายแต่ไม่ใช่ทางวาจา ทำที่บุคคลพึงละทางวาจาแต่ไม่ใช่ทางกายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัตบางส่วนที่เป็นอกุศลทางวาจาเพื่อนพรมมารีผู้รู้ทั้งหลายใครครวญแล้วว่ากล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านนั้นแหลเป็นผู้ต้องอาบัตบางส่วนที่เป็นอกุศลทางวาจาจะเป็นการดีหนอที่ท่านจะละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริต ภิกษุนั้นถูกเพื่อนโภมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วว่ากล่าวอยู่จึงละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตนี้เรียกว่าทำที่บุคคลพึงละทางวาจาแต่ไม่ใช่ทางกายทำที่บุคคลพึงละทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เป็นอย่างไร คือโลภะความโลภที่บุคคลพึงละทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้โทสะความประทุษร้ายโมหะความหลงโกทะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมักขะความลบหลู่ปลาสะความตีตัวเสมอมัชริยะความตรณีที่บุคคลพึงละทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้ แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ความริษยาอันชั่วที่บุคคลพึงละทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ความริษยาอันชั่วเป็นอย่างไรคือเมื่อขหาบดีหรือบุข อ, ของข้าพเจดีในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองธาตุหรือผู้เข้าไปอาศัยของขหบดี หรือบุตรของข้าพดีคนใดคนหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าชะไหนหนอข้าพดีหรือบุตรของข้าพดีนี้จะไม่พึงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองอันหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ได้จีวอนบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบริคารมีความคิดอย่างนี้ว่าชะไหนหนอท่านผู้นี้จะไม่พึงได้จีวรนบินทบาต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 ความปรารถนาอันชั่วเป็นอย่างไรเพื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศ ร, รัท ธ, ธา ป, ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ทุศีนปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศีนเป็นผู้มีสุตตะน้อยปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นพหูสูรเป็นผู้ยินดีการคลุกคลีด้วยหมูปรารถนาว่า คนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้ชอบจังหัดเป็นผู้เกียดคร้านปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรเป็นผ giggling, spannend, ู้หลงลืมสติปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีปัญญาสามปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีปัญญาไม่เป็นพระขีนาศ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 มัชริยะความริศยาอันชั่วความปรารถนาอันชั่วเข้าครอบงมภิกษุนั้นได้คนก็จะพึงรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ย่อมไม่รู้ชัดอย่างที่โลภะจะไม่เกิดแก่ผู้รู้ชัดเพราะฉะนั้นโลภะจึงเข้าครอบงมท่านผู้นี้ไม่ได้ท่านผู้นี้ย่อมไม่รู้ชัดอย่างที่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมะัคคะปลาสะมัชเริย ความริษยาอันชั่วความปรารถนาอันชั่วจะไม่เกิดแก่ผู้รู้ชัดเพราะฉะนั้นความปรารถนาอันชั่วจึงเข้าครอบงำท่านผู้นี้ได้หากโลพะเข้าครอบงำภิกษุนั้นไม่ได้หากโทสะโมหะโกธะอุปนาหะมักขะปลาสะมัชเริยความริษยาอันชั่วความปรารถนาอันชั่วเข้าครอบงำภิกษุนั้นไม่ได้ คนก็จะพึงรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ย่อมรู้ชัดอย่างที่โลภะจะไม่เกิดแก่ผู้รู้ชัดเพราะฉะนั้นโลภะจึงเข้าครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ท่านผู้นี้ย่อมรู้ชัดอย่างที่โทสะโมหะโกทะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัชริยะความริศยาอันชั่วความปรารถนาอันชั่วจะไม่เกิดแก่ผู้รู้ชัดเพราะฉะนั้น ความปรารถนาอันชั่วจึงเข้าครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้อย่างนี้แหละกายสูตรที่สามจบ 4. มหาจุนทะสูตรว่าด้วยพระมหาจุนทะ สมัยหนึ่งท่านพระมหาจุนทะอยู่ที่สหาชาติวันแคว้นเจตีณนะที่นั้นแหละท่านพระมหาจุนทะได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านพระมหาจุนทะจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเมื่อกล่าวอวดความรู้ย่อมกล่าวว่าเรารู้ธรรมนี้เราเห็นธรรมนี้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 ท่านผู้นี้ย่อมไม่รู้ชัดอย่างที่โทสะโมหะโกทะอุปนาหะมัคขะปลาสะมัชริยะความริศยาอันชั่วความปรารถนาอันชั่วจะไม่เกิดแก่ผู้รู้ชัดเพราะฉะนั้นความปรารถนาอันชั่วจึงเข้าครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกษุเมื่อกล่าวอวดการเจริญย่อมกล่าวว่าเราเป็นผู้มีกายอันเจริญแล้วมีศีลอันเจริญแล้ว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 เรารู้ธรรมนี้เราเห็นธรรมนี้เราเป็นผู้มีกายอันเจริญแล้วมีศีลอันเจริญแล้วมีจิตอันเจริญแล้วมีปัญญาอันเจริญแล้วหากโลภะเข้าครอบงนภิกษุนั้นได้หากโทษสะโมหะโกทะอุปนาหะมะัคคะปลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วความปรารถนาอันชั่วเข้าครอบงนภิกษุนั้นได้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 ความปรารถนาอันชั่วจึงเข้าครอบงำท่านผู้นี้ได้เปรียบเหมือนบุรุษเป็นคนยากจนแต่กล่าวอวดว่ามั่งมีเป็นคนไม่มีทรัพย์แต่กล่าวอวดว่ามีทรัพย์เป็นคนไม่มีโพคะแต่กล่าวอวดว่ามีโพคะเขาเมื่อมีกิจจาเป็นต้องใช้ทรัพย์สักอย่างเกิดขึ้นก็ไม่อาจนำทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองออกใช้จ่ายได้คนทั้งหลายก็จะพึงรู้จักเขาอย่างนี้ว่า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 ความริษยาอันชั่วความปรารถนาอันชั่วจะไม่เกิดแก่ผู้รู้ชัดเพราะฉะนั้นความปรารถนาอันชั่วจึงเข้าครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษเป็นคนมั่งมีจริงกล่าวอวดว่ามัม่งมีเป็นคนมีทรัพย์จริงกล่าวอวดว่ามีทรัพย์เป็นคนมีโพคะจริงกล่าวอวดว่ามีโพคะเขาเมื่อมีกิจจาเป็นต้องใช้ทรัพย์สักอย่างเกิดขึ้นก็อาจนาทรัพย์ เข้าเปลือกเงินหรือทองออกใช้จ่ายได้คนทั้งหลายพึงรู้จักเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นคนมั่งมีจริงจึงกล่าวอวดว่ามั่งมีเป็นคนมีทรัพย์จริงจึงกล่าวอวดว่ามีทรัพย์เป็นคนมีโพคะจริงจึงกล่าวอวดว่ามีโภคะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านผู้นี้เมื่อมีกิจจําเป็นต้องใช้ทรัพย์สักอย่างเกิดขึ้นก็สามารถนาทรัพย์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 กสิ น, นสูตรว่าด้วยบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์ภิกษุทั้งหลายบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์สิประการนี้บ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์สิประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดปฐวีกสินกสินคือดินเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณ 2. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดอาโปกสินกะสินคือน้ำและถึง 3. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดเตโชกสินกะสินคือไฟ 4. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดวายโยกสินกะสินคือลม 5. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดนีละกสินกะสินคือสีเขียว 6. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดปีตะกสินกสินคือสีเหลือง เบุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดโลหิตะกสินกสินคือสีแดง 8. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดโอทาตะกสินกสินคือสีขาว 9. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดอากาศกสินกสินคือที่ว่างเปล่า 10. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดวิญญาณกสินกสินคือวิญญาณเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณ ภิกษุทั้งหลายบอเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์สิบประการนี้แหละกสินนสูตรที่ห้าจบ 6. กาลีสูตรว่าด้วยอุบาสิกาชื่อกาลีสมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจานะอยู่ณปวัตตบันพศเขกลุ่มกุะระคระแควนอวันตีชนบทครั้งนั้นแหล อุบาสิกาชื่อกาลีชาวกรุงกุระคระเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งนั่ที่สมควรได้ถามท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่าท่านเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดารันนี้ไว้ในกุมารีปัญหาว่าการบรรลุประโยชน์เป็นความสงบแห่งหะไทยเราชนะเสนาที่มีรูปเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจแล้วเป็นผู้เดียวเพ่งอยู่ ได้ตัส้สรู้ความสุขโดยลำดับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องอ้างบุคคลเป็นพยานการอ้างอิงใครๆเป็นพยานจึงไม่มีสำหรับเราท่านเจ้าข้าเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยยอด่อนี้จะพึงเห็นได้โดยพิสดารอย่างไรหนอท่านพระมหาการณตอบว่าน้องหญิงสมณะพราหมวกหนึ่งทาประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัต ที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้วแต่พระผู้มีพระภาคได้ทรงรู้ประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์นั้นแล้วได้ทรงเห็นเบื้องต้นและถึงโทษทำเป็นเครื่องสลัดออกมักขามักขายานทัศนะเพราะเหตุที่ทรงเห็นเบื้องต้นโทษทำเป็นเครื่องสลัดออกและมักขามักขายานทัศนะการบรรลุประโยชน์ จึงเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าเป็นความสงบแห่งหทยัยสมณะพราหม์พวกหนึ่งทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีอาโปกสินเป็นอารมณ์และถึงทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีเตโชกสินเป็นอารมณ์ทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีวาโยกสินเป็นอารมณ์ทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีนีลกษิสินเป็นอารมณ์ ทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีปีตกะสินเป็นอารมณ์ทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีโลหิตกะสินเป็นอารมณ์ทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีโอธากะสินเป็นอารมณ์ทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีอากาสะกะสินเป็นอารมณ์สมณะพรามพวกหนึ่งทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีวิญญาณกะสินเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้ว แต่พระผู้มีพระภาคได้ทรงรู้ประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีวิญญาณกสินเป็นอารมณ์นั้นแล้วได้ทรงเห็นเบื้องต้นและถึงโทษทำเป็นเครื่องสลัดออกมัคคามัคคยาณทัศนะเพราะเหตุที่ทรงเห็นเบื้องต้นโทษทาเป็นเครื่องสลัดออกและมัคคามัคคยาณทัศนะการบรรลุประโยชน์เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าเป็นความสงบแห่งหระทยัย เหตุดังนี้แลพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสพระตํรรัดไว้ในคุมารีปัญหาว่าการบรรลุ ป, ประโยชน์เป็นความสงบแ่งหาทยเราชนะเสนาที่มีรูปเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจแล้วเป็นผู้เดียวเพ่งอยู่ได้ตรัสรู้ความสุขโดยลำดับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องอ้างบุคคลเป็นพยานการอ้างอิงใครๆเป็นพยานจึงไม่มีสาหรับเราน้องหญิง เนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้พึงเห็นได้โดยพิสดารอย่างนี้แลกาลีสูที่หจบ